ก็ <c oughs> ขอจเจริญพรญาติยโยมทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในห้องข่าวเผาอันนี้ก็ได้เวลานะนัดไวสิบโมงเมื่อวานนะเมื่อวานที่เราตั้งประเด็นหัวข้อในเรื่องการคุยก็คือว่าเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นนะแล้วก็ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศัก์แต่ว่าเห็นแล้วประมก่อนนั้นน่ะเอาตัวเราไปเป็นผู้ทําเป็นผู้ทําสักแต่ว่าเห็นอันนั้นไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่แล้วนะเราไม่ต้องทำนะเราก็เมื่อวานเราก็ได้ขยายความแล้วก็ยกตัวอย่างให้ชัดเจนแล้วว่าเออ สภาพธรรมะที่ทําหน้าที่เห็นนะที่มีคุณสมบัติเห็นอย่างเดียวที่ไม่เป็นสิ่งถูกเห็นที่ไม่เป็นอะไรหมดเลยนะนั้นมีอยู่นะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ไม่อาจจะมีใครมาถกมาเถียงมาคัดค้านได้แล้วก็เท่าฟังให้เข้าใจเมื่อวานเนี่ยก็จะแจ่มแจ้งเลยว่าสภาพธรรมะที่มีคุณสมบัติเห็นไม่อาจจะเป็นเราไม่อาจจะเป็นเขาได้เลยมันเป็นธรรมชาติล้วน แล้วเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจถูกเห็นได้ด้วยเพราะว่าถ้าธรรมชาติเห็นเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วเนี่ยอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นธรรมชาติที่เห็นเพราะว่าธรรมชาติที่เห็นเนี่ยมันเห็นอย่างเดียวไม่อาจจะถูกเห็นได้เลยเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าหลงไปหาหาก็ไม่พบหาไม่พบถ้าพบสมมติว่าไปหาแล้วบอกพบแล้วเห็นแล้วว่าธรรมชาติเห็นเป็นยังไง อันนั้นขอยืนยันได้เลยว่าเป็นธรรมชาติที่ถูกเห็นไม่ใช่เป็นธรรมชาติเห็นตองแม่นในตรงนี้นะแม่นเพราะนั้นอย่าไปหมายเนี่ยอย่าเอาตัวเราไปหมายว่ า, วาธรรมชาติเห็นเนี่ยต้องมีลักษณะรูปทรงสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้หมายไม่ได้ถ้าหมายได้นั่นมันมีเครื่องหมายให้ไปหมายให้ไปรู้แล้วก็จะเป็นสิ่งถูกเห็นอยู่ดี เอาเป็นว่าให้ธรรมชาติเห็นเนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาคือทําหน้าที่เห็นเห็นอะไรก็เห็นสิ่งถูกเห็นนั่นแหละโดยเฉพาะที่เรียกว่าตัวเราตรงนี้สําคัญมากถ้าไม่เห็นตัวเรานะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมชาติเห็นได้เลยถ้าไม่เห็นตัวเราไม่อาจจะเข้าใจธรรมชาติเห็นได้คิดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจไม่มีวันที่จะ เขเรือว่าเข้าถึงนละ้เออไม่มีวันนะเพราะนั้นนะต้องกลับมาเห็นเรานะเห็นเราหรือบางทีใช้คาว่ารู้เรามันก็ใกล้เคียงกันรู้เราเห็นเราเมื่อวานหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างเรื่องการเห็นแล้ววันนี้ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นการทบทวนหรืออาจจะทำให้ผู้ที่เข้ามาใหม่อาจจะทำให้ได้เข้าใจไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งสมมติ เ, เรานั่งอยู่นะของใครของมันนะแต่ว่าเอาสมาุนไพรตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนก็ได้หลวงพ่อใช้วิธีคือใช้อุบายคือให้เหมาะให้เห็นไปสิ่งที่อยู่นอกตัวเราก่อนเห็นอะไรก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นพัดลมเอาเห็นก็ไว้<ม>ก็เห็นจริงๆร่ะนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังมีความเข้าใจผิดอยู่<ม>เข้าใจผิดแบบผิดมากๆเลย เข้าใจว่าเราเห็นนะบางคนเข้าใจผิดว่าตาเห็นบางคนเข้าใจผิดคิดว่า อ, อ, อะไรไม่รู้แล้วแต่ว่าจะตั้งชื่อมันนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้หลวงพ่อใช้คำว่าเราเป็นผู้เห็นไปก่อนเพราะว่าการที่จะเข้าใจได้มันจะต้องเห็นเราเราเป็นผู้เห็นพัดลมนี่เห็นอยู่แต่ทีนี้หลวงพ่อจะขยายไปว่าอ่นนะลองดูให้ดีนะ หลวงพ่อจะเชี่ยเห็นว่ามันมีพัดลมอันหนึ่งพัดลมก็เป็นสภาพธรรมะอันหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกเห็นทีนี้ใครเล่าล่ะเป็นผู้เห็นก็คือตัวเราเป็นผู้เห็นเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยอุปมาคล้ายๆว่าอเป็นก้อนวัตถุก้อนหนึ่งที่เป็นผู้เห็นเห็นไหมพัดลมก็เป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราก็เป็นผู้เห็นแล้วตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเราเป็นผู้เห็นแต่บัดนี้ เราเป็นสิ่งถูกเห็นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อพัดลมเป็นสิ่งถูกเห็นเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นตรงนี้แยกออกแล้วยังว่าทั้งพัดลมทั้งตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นแต่การเห็นพัดลมมีอยู่จริงการเห็นตัวเราก็มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ทาหน้าที่เห็นก็มีอยู่จริงเหมือนกันถ้าไม่มีถ้าไม่มีสภาพธรรมะเห็น จะเห็นได้ยังไงว่ามีพัดลมจะเห็นได้งไงว่ามีตัวเราตรงนี้แหละถ้าโยมเข้าใจตรงเนี้ว่าโอ้ไอ้ธรรมชาติเห็นเราเนี่ยคืออย่างนี้เองอย่างนี้เองเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามีปัญญาแล้วมีปัญญาแบบเนี้อาจจะไม่ใช่มามีปัญญาแค่ขั้นจำนะมันขั้นที่ประจักษ์แก่ใจเลยอะประจักษ์แก่ใจว่าธรรมชาติเห็นเนี่ยมีอยู่จริงเนะียทีนี้ เมื่อรู้จักธรรมชาติเห็นที่มีอยู่จริงแล้วเนี่ยก็พิจารณาต่อไปว่าธรรมชาติเห็นเนี่ยตามที่มีปัญญาไปเห็นแล้วเนี่ยธรรมชาติเห็นมันเป็นยังไงอ่ะก็มันไม่ปรากฏตัวฮะมันไม่ปรากฏตัวอ่าเมื่อมันไม่ปรากฏตัวมันหมายความว่าไงก็หมายความว่ามันเป็นความว่างเป็นความว่างเปล่าเป็นความไร้ตัวตนเป็นความไร้ไร้ทุกข์ไร้สุขอ่าเห็นไหม มันไร้ไปหมดเลยเป็นความไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่ความมีแต่ความการเห็นนะไร้ทุกข์ไร้สุขไร้ร้อนไร้หนาวไร้ไร้อนไร้เย็นคือไม่มีอะไรทั้งหมดเลยในความในความในธรรมชาติเห็นไม่มีอะไรเออตรงเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเข้าใจแบบเป็นปัญญาแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันจะได้ไม่หลงตัวเอง เมื่อก่อนที่เคยบอกว่าเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนเห็นเนี่ยตอนนั้นแหละเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเราเป็นผู้เห็นได้เลยเพราะเราเป็นแค่เพียงสิ่งถูกเห็นนะทีนี้ถ้ามองย่อยลงไปอีกว่าตัวเราประกอบด้วยอะไรตัวเราประกอบด้วยถ้าเป็นขันห้าก็ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะรูปไม่อาจจะเป็นเห็นได้เลย เวทนานะความรู้สึกทุกข์สบายไม่สบายอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นสิ่งถูกเห็นเวทนาไม่อาจจะเป็นเห็นได้เลยสัญญาความจำได้จำได้จำได้มันก็เป็นสภาพของความจาได้ถูกเห็นได้ถูกแต่สัญญาไม่อาจจะเป็นเห็นได้เพราะเห็นมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละเคยจะมาเป็นเห็นได้สัญญาก็เป็นสิ่งถูกเห็น สังขารสังขารในขัน5ความคิดนึกตรึกตรองนะก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะความคิดความนึกก็เป็นสิ่งถูกเห็นไม่ใช่เป็นเห็นวนะิญญาณขันมันก็ปรากฏแค่ขณะที่ผัสสะอายตนะภายนอกภายในกระทบกันก็เกิดวิญญาณรับรู้ขึ้นมารู้แล้วเสร็จแล้วก็ดับไปทันทีรู้ปักดับปุ๊บอะรู้ปักดับปุ๊บอะไรมารู้ว่าเกิดอะไรมารู้ว่าดับ ก็เห็นนั่นแหละเอออะไรมาเห็นว่าเกิดว่าดับก็เห็นเพราะฉะนั้นวิญญาณก็ยังเป็นสิ่งถูกเห็นจริงๆอะวิญญาณจริงๆก็ถ้าแปลว่ารู้ก็ได้นะคือรับรู้อารมณ์มันทำนั่เป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์แต่การรับรู้ของวิญญาณเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นไงเพราะว่ามันเกิดดับได้อะไรมาเห็นการเกิดดับก็คือสภาพธรรมะที่ทําหน้าที่เห็นก็เลยมาเห็นการเกิดมาทําหน้าที่เห็นการดับ ก็จึงรู้ว่าแม้กระทั่งวิญญาณก็ยังเป็นสิ่งถูกเห็นนะเพราะฉะนั้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นเป็นธรรมะที่ทําหน้าที่เห็นที่สักแต่ว่าเห็นก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือธรรมชาติเห็นจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่จะสมมติในภายหลังเนาะธรรมชาติเห็นเนี่ยจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติคือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเนาะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เป็นธรรมชาติ แต่ธรรมชาติเนี่ยคนก็จะไปตั้งชื่อว่า อ, อ๋อสมารัสภาพเห็นเนี่ยไปตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่จะไปสมมติตกลงร่วมกันนะแต่หลวงพ่อพูดในภาพรวมว่าออธรรมชาติที่ทำหน้าที่เห็นเนี่ยสักแต่เห็นเนี่ยมีหนึ่งเดียวเท่านั้น อ, อ, อันนี้พูดเป็นแบบรวมๆไปก่อนทีนี้บางคนลองดูนะสมมติว่าหลวงพ่อจะเขียนเขียนคำว่าสลาเอ ห, อหีบไมฮานอากาศนอนหนูอย่างเนี้ย มันมีสระเอหอหีบนี่เห็นไหมคนละตัวกันนั่นเนี่ยอไม้แตยคู้แล้วก็นอหนูนี่คนละตัวหมดแต่พอมารวมกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นอ่านว่าเห็นแต่เห็นตัวเนี้ยมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นใช่ไหมเห็นไหมสระเอก็เป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยเห็นด้วยจิตเห็นเห็นภายในเลยอะอหอหีบก็เป็นสิ่งถูกเห็นไม้แตยคูก็เป็นสิ่งถูกเห็นนอหนูก็เป็นสิ่งถูกเห็นเพราะฉะนั้นคําว่าเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เห็นที่ ที่หลวงพ่อกำลังพูดถึงที่เป็นปรมัตดในขั้นที่ว่าเป็นธรรมชาติจริงๆเห็นเนี่ยหนึ่งเป็นแค่เสียงสองเป็นแค่พยัญชนะเสียงก็เป็นสิ่งถูกเห็นพยัญชนะที่ปรากฏขึ้นในสมุทในอะไรก็แล้วแต่หรือว่าในมโนก็แล้วแต่ในนิมิตก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้เขียนคําว่าเห็นอันนั้นก็ไม่ใช่เห็นแต่มันก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่เห็นจริงๆ เป็นไงพอมองออกแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏไม่ปรากฏอะไรเลยก็ออกเป็นว่าให้เข้าใจตรงกันเนาะว่าธรรมชาติเห็นก็คือเห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้มาโยงกับเรื่องที่หลวงพ่อตั้งหัวข้อวันนี้เห็นเป็นเห็นเห็นไม่ใช่เราจริงๆถ้าฟังจบแล้วเนี่ยมันเข้าใจไปแล้วเห็นมันไม่ใช่เราแน่นอนคือเห็นเป็นเห็น เข้าใจได้ไหมเห็นเป็นเห็นคือเห็นไม่เป็นอย่างอื่นเห็นก็คือเป็นเห็นนั่นแหละจะเป็นทุกข์จะเป็นสุขได้ไงเนาะแล้วไอ้ที่เรียกว่าตัวเราอ่ะตัวเราคืออะไรอ่ะตัวเราจริงๆมันก็ไม่มีแต่พอขันห้ามารวมกันเขาก็เรียกว่าตัวเราตัวเราก็มีผู้หญิงผู้ชายก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นแค่สมมติชื่อเฉยๆแต่ถ้าโดยแยกออกมาเป็นปรมัต์ปัลปะมัต์คําว่าปรมัต์มันก็สมมติชื่ออีก นะแต่ว่าเอาเป็นว่าให้เข้าใจร่วมกันนะที่ว่าประกอบกันขันห้าเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นเรียกว่าเป็นตัวเรานะ่ะเห็นไหมเมื่อกี้หลวงพ่อก็ไล่มาแล้วว่าขันห้าก็คือรูปรูปก็เป็นสิ่งถูกเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะเพราะฉะนั้นรวมความแล้วเนี่ยเห็นก็ไม่เป็นเราไม่ใช่เราแน่นอนเราก็เราเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเอเพราะฉะนั้นที่เราสื่อสารกันในชีวิตประจําวันอ่ะอันเนี้เขาเรียกว่าใช้สมมุติ ใช้สมมุติทั้งหมดเลยนะวันนั้นพอเรามีปัญญานะพอมีปัญญาเข้าใจเรื่องสมมุติว่าอ๋ออันนี้มันเป็นสมมตุติมันไม่ใช่เป็นสมมุติสัจจะแต่มันไม่ใช่สัจจะความจริงแท้นะความจริงแท้คืออะไรอ๋อก็ว่ากันไปอีกแต่เอาเป็นว่าไอ้ที่เรียกว่าเป็นตัวเราอันนี้เป็นสมมตุติสมมตุติแต่พ้นไปจากตัวเราก็เป็นเป็นวิมตุตติวิมุตติคือ มันไม่ใช่เรามันไม่มีเราเมื่อมันไม่มีเรานั่นแหละคือมันเป็นวิมุติเออมันหลุดพ้นไปจากสมมุติทีเนี้ยการปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะนะมันไม่ได้ใช้กําลังหรอกมันไม่ได้ใช้อะไรฉันไม่ได้ใช้กําลังที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรมากเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากความความโง่เนาะเปลี่ยนจากความโง่ความไม่รู้เนี่ยให้มันเป็นความรู้เซ่ะ ให้เป็นความรู้คือรู้แจ้งรู้จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันไม่มีเราในสภาพธรรมะนั้นเลยนะมันไม่มีเรามันมีแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาา้าใจไมธรรมะแต่ละอย่างหลว yeah. งพ่อแยกแจกแจงมาก็ได้สมมติว่าหลวงพ่อพูดถึงธาตุนะธาตุหธาตุดินธาตุดินก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึง่งธาตุน้า ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งธาตุไฟก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งธาตุลมก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งอากาศก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งวิญญาณนะวิญญาณธาตุก็เป็นสภาพธรรมะอย่างห น, น, น, น, <platz> น, น, นึ่ <synth et> น ง, งมันเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างทีนี้เรามองดีว่าไอ้แต่ละอย่างอ่ะมันเป็นเราได้ไหมอ่ะมันเป็นเราไม่ได้มันก็เป็นแต่ละอย่าง ตอนนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแจกแจงเนี่ยซอยย่อยออกมาเนี่ยเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อถอดถอนความเห็นผิดที่เคยเข้าใจผิดเคยหลวงผิดว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเรานี่เป็นของเราเนี่ยเพื่อเพื่อถอนเพื่อถอนเพื่อถอนอถอนเนี่ยมันหลุดพ้นไปจากความเข้าใจผิดแล้วมันจะรู้เลยว่าเมื่อเข้าใจถูกที่จริงๆแล้วมันไม่มีเราอ่าเยนธรรมะเนี่ยจริงๆมันก็ต้องเรียนในลักษณะปัญญาแบบนี้แหละอ่าทีนี้ ในเรื่องเนาะคนที่เรียนอภิธรรมทําไมต้องมาแยกแยะต้องมาซอยอะ่ะวัจจิตมีกี่ดวงแล้วก็อะไรอะรนี่หลวงพ่อไม่รู้เลยแล้วแต่เคยได้ยินผ่านๆมาว่าเห็นเขาพูดเป็นดวงเป็นดวงสารพัดเนะี่ยยมดูดิที่เรียนอย่างนั้นก็เพื่ออะไรเพื่อแตกซอยย่อยออกมาว่าไอแต่ละอย่างอะ่ะมันเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่เราไม่เข้าใจเหตุที่ไม่เข้าใจเพราะว่าคือทําไมเรียนธรรมะเรียนอภิธรรมแล้วมันไม่พ้นทุกข์อ่ะเขาะว่า มันรอบรู้คือรอบรู้ไม่หมดมันรอบรู้แต่สิ่งที่ที่กําลังกล่าวถึงรอบรู้แต่สิ่งที่เเรื่องอื่นๆนะแต่มันไม่รอบรู้ในกองขันห้ามันไม่รอบรู้คือกลับมารู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเราผู้เรียน PM, พธรรมเนี่ย <sung> ไอ้ตัวเราที่นั่งไปฟังทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้คือไม่ย้อนกลับมาที่ตัวเรามัวแต่เอาตัวเราเนี่ยไปเรียนไปเรียนไปเรียนไปเรียน แไม่ย้อนกลับมารู้หรือว่ามาเห็นตัวเราทีนี้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นตัวเราเรียนให้ตายเหอะกลายเป็นว่ายิ่งเรียนยิ่งกลายเป็นว่าเรามีความรู้เห็นไหมความรู้เป็นเราอีกแล้วแต่ทําไม่รู้ทําไมไม่กลับมารู้เราเหรอว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันไปเป็นผู้นั่งฟังก็ดีเป็นผู้จุดเลคเชอร์ก็ดีเป็นผู้ถามผู้ตอบก็ดีเป็นผู้ท่องจําก็ดีอันเนี้ยมันไม่ใช่เราเออให้กลับมาเห็นตรงนี้กลับมาเห็นตรงนี้ เมื่อเห็นว่าไม่ใช่เราก็ให้เห็นอยู่เป็นประจำเนาะอย่าให้หลงอยู่เป็นให้เห็นอยู่เป็นประจำก็เรียกว่าตรงเนี้ยทําความเพียรมีความเพียรเพียรที่จะละละอกุศลคือความเห็นผิดต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเห็นถูกเสียให้เป็นกุศลเออมีความเพียรทีนี้เมื่อจับหลักได้แล้วเนี่ยเนาะจับหลักได้แล้วว่าโอ้จริงๆเนาะมันก็ฟังแล้วเข้าใจแล้วใช่ใช่ใช่มันไม่มีเราเลยมันมีแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่าง โอ้ oh, เพราะฉะนั้นไอ้ที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังได้ยินกําลังเห็นกําลังอะไรอืมมันไม่ใช่เราหมดเห็นไหมมันจะเห็นแจ้งขึ้นมาไงเพราะสภาพธรรมะที่เห็นมันมีอยู่แล้วพอพูดถึงสมมติพอพูดถึงรูปเอามันก็เห็นรูปพอพูดถึงเวทนามันก็เห็นเวทนาพอเห็นสัญพอพูดถึงสัญญามันก็เห็นสัญญาพอพูดถึงเรื่องอะไรมันก็เห็นถึงสิ่งนั้นรวมถึงไอ้ที่กําลังพูดเนี่ยมันก็รู้ก็เห็นว่ากําลังพูด เพราะนั้นโอ้โหรอบรู้แบบนี้ย ร, รอบรอบรู้รอบเห็นนะเป็นรอบมันก็จะไม่หลงผิดแต่ถ้ามันหลงผิดก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาเพราะว่าความหลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่รู้อยู่ดีแล้วก็ความหลงก็ไม่ใช่เราอยู่ดีความหลงก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันความรู้ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันรวมแล้วจะหลงจะรูนะ้ถ้าเข้าใจมีปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเราอยู่แล้วหลงก็ก็ไม่เป็นเรารู้ก็ไม่เป็นเรา แต่หนทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆเนะี่ยมันก็ต้องอาศัยเนาะอาศัยรู้นี่แหละอาศัยการเห็นนี่แหละแต่ก็ไม่ยึดถือว่ารู้เป็นเราเห็นเป็นเรานะก็เดี๋ยวหลวงพ่อก็พูดมาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะให้ญาติโยมนะมาพูดในประเด็นว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่ามันเกิด ความรู้ใหม่ขึ้นไหมหรือว่ายังรู้เหมือนเก่าหรือเมื่อก่อนเคยรู้แบบนูน้นตอนนี้รู้แบบนี้เออมันต่างกันยังไงอ่าพระเอร์อ่าหลวงเป็นหลวงตากว้างครับนี่หมดหลวงตากว้างครับอ๋อหลวงตาเนาะตากว้างบเสีวรักโอ้อรักการพลอยเองอืร ม, <laughs> มการครับคุณไพฑูรย์ครับอ่ารครับผมเอาผมครับผมเพิ่งเพิ่งเล่น เพิหัดเล่นครับผมก็เลยก็เลยทลําดูเขาเป็นเท่าไหร่ครับแต่สําหรับติดตามฟังที่ของรู้ของพายจาย์มานานอยู่แล้วครับผมก็คือตั้งแต่จาย์พลนะครับส่งส่งมาให้ส่งส่งส่งไฟล์มาให้แล้วก็ฟังครับคนรู้สึกว่าจะทําให้ผมรู้ว่าตัวที่ตัวรู้กับตัวถูกรู้ดี่แหละครับที่เรารู้ก็รู้เรานะครับ ม่เห็นตรงนี้แหละครับว่าก็เลยชี้ชัดมากเลยว่าถ้ารู้เราเนี่ยออถ้าถ้ารู้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันกับเรารู้นี่ยมันมันจะถับสนกันอยู่ถ้าเราไม่ไม่ไม่คิดไม่นิ่งอยู่แล้วคิด ด, ดีว่าอะไรรู้เราอะไรเรารู้นะครับผมหลังจากนั้นก็เลยมานั่งดูว่าไอสิ่งมันที่มันรู้เราก็มีตัวหนึ่งที่มันคอยรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ แล้วทีนี้ถ้าเรารู้เรารู้ก็เราก็เห็นก็คือเราเห็นสีที่ถูกรู้ข้างนอกเห็นกันหมดเลยเห็นว่าอาทุกๆอย่างที่มันอดิ้นได้เป็นไปโ น, น, น่นตัวนีนน้นี่โ น, น่นนี่นั่นนะแสดงว่ามันเราเราเราเห็นเรารู้นะครับผมแต่ไอตัวที่มันจะเห็นเราเนี่ยมันเห็นยากแต่วันหนึ่งก็เห็นอยู่ถ้าเรามีสติพอเพียงพอหรือว่าถ้าเรามีเอ นั่งสมาธิแล้วแล้วเร า, เร า, เราจิตเรานิ่งแล้วแล้วค่อยสังเกตดูมันจะมีเห็นตัวหนึ่งที่มารู้เราเรากําลังนั่งอยู่เรากําลังเดินอยู่แล้วกําลังทํางานอยู่นี่แหละครับเรากําลังอ่าชันข้าวอยู่แล้วพิจารณาตัวนั้นตัวนี้เราก็เห็นนะครับอาจารย์จากจากที่พระอาจารย์ได้ชี้เนี้ยจากที่ได้ฟังมานะครับก็ทําทให้ผมเห็นว่าเอไอตัวที่มารู้เรานี่มันมันมันมีจริง นะครับไม่มีจริงแต่ก่อนผมยังไม่เห็นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับครับที่ชี้แนะเรื่องนี้นะครับผมกล่าวนมราชการครับพระอาจารย์ครับทักทูครับอ่าสั่งโทนน้อยโทนน้อยอิมท็อกเตอร์ท็อกเตอร์อ่ากล่าวนามรการครับพระอาจารย์ครับได้ยินไหมครับอ่าได้ยินนะว่าไปนะหลวงก็ต้องปิดใหม่อ่าจครับครับวันี้ผม ก็ก็ได้ติดตามดู youtube พระอาจารย์มาสักเมื่อปีที่แล้วครับก็ก็ได้ตามมาในห้องนี้ด้วยพอดีได้เข้ากลุ่มของพระอาจารย์ที่เชิญนะครับก็บกลับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับก็ก็กดีที่ได้รู้ทำมากขึ้นนะครับคิดว่าสิ่งที่ได้ฟังพระอาจารย์มาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเข้าใจภาษาที่พระอาจารย์ สมมุติแล้วก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับ ก, ก็ก็พยายามทำตามที่พระอาจารย์แนะนานะครับครับก็ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับช่วยช่วยขยายความนิดหนึ่งเนาะว่าที่บอกว่ารู้มากขึ้ น, นมันมีความแตกต่างกับตอนที่รู้แบบนู้นแล้วก็ที่รู้มากขึ้นเนี่ยมันมันต่างกันตรงไหนยังไงเพื่อประโยชน์กับผู้ฟังคนอื่นด้วยครับครับ ที่รู้มากขึ้นเนี่ยก็เดิมเดิมเดิมเลยเนี่ยผมผมก็ปฏิบัติแบบของทางสายหลวงพเทียนนะครับที่ให้รู้สึกตัวนะครับก็ก็ไม่ได้เรียนละภาคปริยัติเลยนะครับก็คือปฏิบัติอย่างเดียวก็ก็รู้ตัวรู้อะไรมาเรื่อยๆก็ผลจากการรู้ตัวมันก็เกิดมาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของความคิดที่น้อยลงแล้วก็การมีสติ ควมเฟิร์มในความมั่นใจตัวเองการอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็มีผลระดับหนึ่งนะฮะแต่พอมาฟังพระอาจารย์เพิ่มเนี่ยหมายถึงว่าก็จะมาก็จะมารู้เพิ่มว่าการรู้การรู้ของขันห้าเนี่ยการรู้ของตัวเองเนี่ยที่เป็นเป็นกับพรรษาทาางขันห้าเนี่ยมันก็เป็นการรู้ ซึ่งมันก็เป็นสติผมก็ว่ามันเป็นสติแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มารู้เพิ่มว่ามันมีรู้อีกตัวหนึ่งที่ที่รู้ตัวเราอ่ะมันจะเป็นรู้แบบเบาๆแล้วคือรู้รอบไหนอีกชั้นหนึ่งคนระับพยายามที่จะคิดตามหรือว่ามองตามที่พระอาจารย์พยายามพยายามที่จะอธิบายอนะก็พอเข้าใจบ้างเข้าใจได้เป็นเป็นช่วงๆนะ แต่ว่าผมผมผมสัมผัสกับตัวเองว่าถ้าจะรู้แบบนั้นเนี่ยมันเหมือนต้องมีสติตลอดเวลาสติต้องไม่หลุดอะ่ะหมือถึงว่าเราเราจะต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยช่วงที่เรารู้สึกตัวเต็มเมเนี่ยมันก็จะรู้สึกตามที่อาจารย์อธิบายได้ชัดนะครับผมก็พยายามที่จะตามตัวนั้นอยู่นะครับครับครับครับพอาจารย์ครับขอบคุณครับ อก็หลายคนที่ฟังมาเอ้ยที่ได้พูดเนาะเหมือนกับว่าแต่เดิมเนี่ยบางคนบอกว่าเอาตัวเราไปฝึกเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปปฏิบัติเอาตัวเราไปเพ่งนะที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ายัางไม่รู้จักว่าไอ้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นอีกอีกตัวหนึ่งและมันรู้จริงด้วยนะที่รู้ตัวเราแต่ไอัที่ตัวเราไปรู้อันเนี้ยปลอมเพราะพฤติกรรมแห่งการกระทําของตัวเราเนี่ยมันมันไม่ใช่รู้เช่นการเพ่งเนี่ย เพ่งเนี่ยไม่ใช่รู้เลยนะเพ่งเนี่ยเป็นแค่พฤติกรรมมีการจดจอ่อมีการจ้องมีอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมนะแต่รู้เนี่ยไม่มีพฤติกรรมแล้วรู้เนี่ยสามารถรู้ถึงพฤติกรรมได้ว่ากําลังจ้อง mm hmm. กําลังเพ่งอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่รู้จักรู้เนี่ยนะไม่รู้จักไอ้ที่รู้เราเนี่ยนะก็ยังผิดดูตลอดสายเลยแต่ถ้ารู้จักขึ้นมาว่าอ๋อมีธรรมชาติรู้ หรือว่าธรรมชาติเห็นนี่นะเห็นเรารู้เราเนี่ยเขาจะเข้าใจแร้วว่าโอ้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาเรามีพฤติกรรมอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นสิ่งถูกรู้อยู่บ่อย <1> 1> <ๆ>เช่นมีพฤติกรรมในการเพง่งเดี๋ยว ก, ก็รู้ว่าเพ่งแล้วเห็นหมมีพฤติกรรมในการจ้องมันก็รู้อีกว่ามีพฤติกรรมในการจ้องอะไรก็แล้วแต่มันจะรู้เรา ทีนี้พอรู้เราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าไอ้จริงๆริงที่ปฏิบัติมาทั้งหมดน่ะมันผิดพลาดคือเอาตัวเราไปทําแต่การรู้เนี่ยรู้จริงๆอ่ะมันไม่ต้องทําอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราอ่ะไม่ต้องไปทํารู้ถ้าเราไปทํารู้เนี่ยให้ไอันนั่นไว้เลยว่าผิดแล้วผิดแล้วแต่ก็ผิดก็รู้ว่าผิดไม่เป็นไรให้เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเ อ, อ้าเราเนี่ยไปทําอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเวลาเราไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะรู้เรา ไม่ใช่ว่าพอเข้าใจแบบนี้แล้วเราเลิกทำทุกอย่างเพราะกลัวว่าจะผิดกลัวว่าเราจะทำเลิกหมดไอ้ที่เลิกหมดเนี่ยนะก็ตัวเราอีกเหมือนกัน เ, นเราเลิกแล้วเราไม่ทำแล้วก็จะถูกรู้อีกว่าเราไม่ทำแล้วมหม้ยไหมการรู้ของธรรมชาติเนี่ยเขารู้เรารู้รอบหมดเลยเราจะทำเขาก็รู้เราไม่ทำเขาก็รู้เนี่ยมันแปลกตรงเนี้ยทีนี้ก็เรียนรู้ไปด้วยการกระทำนี่แหละการกระทาพอกระทำปับ๊บมันก็รู้เราใช่ไหม การกระทําเช่นพูดคิดอหรือว่าคิดนึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยเป็นการจงใจเจตนากระทำเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้เราแล้วก็เป้าหมายสูงสุดเพื่ออะไรก็เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทั้งรู้ทั้งตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าตัวเรามันก็ไม่ใช่ตัวเรานะไอ้รู้ที่ไม่พงแต่งที่เรียกว่าสักดิ์รู้เนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นรู้แท้รู้จริงนะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องไปทําอะไรส่วนสิ่งถูกรู้เนี่ย ที่อยู่ฝ่ายฝั่งฝั่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สิ่งถูกรู้นะพอสิ่งถูกรู้ถ้าจะซอยย่อยแยกย่อยออกมาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมในตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้หมดหลวงพ่อจะชี้ให้ดูนะแบบแบบเข้าๆนะสมมติเมื่อกี้พูดถึงเรื่องขันหน้านะขันหน้าก็เป็นสิ่งถูกรู้สมมติเราจะซอยย่อยมาเป็นอาการสาสองของร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูก ตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะอุดจร ะ, ะตับไตไส้พุงตับม้ามอะไรต่างๆหัวใจเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนเลยเห็นไหมไม่ใช่รู้แล้วก็ไล่อีกให้เป็นธาตุเป็นดินน้ำไฟลมที่อยู่ในร่างกายก็เป็นสิ่งถูกรู้มันมีธาตุเดียวนะั้นแหละที่รู้ได้ก็คือที่เขาสมมติชื่อเป็นว่าธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้มันก็มีอยู่ในในตัวเพราะว่าในตัวเรามันประกอบด้วยธาตุใช่ไหมธาตุดินธาตุน้ำไฟลมอากาศแล้วก็วิญ ญ, ญาณธาต เห็นไหมมันก็อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นในตัวเนี่ยมันจึงรู้ตัวเราได้ไงเพราะว่ามันมีธาตุรู้แต่เนื่องจากว่าด้วยความที่อวิชาด้วยความที่เราอะเรียกว่าสมมติชื่อว่าตัวเรานะมันไม่เคยรู้มาก่อนเไงจึงหลงผิดแต่ตอนเนี้เมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนของพุทธเจ้าฟังจากผู้รู้เนี่ยที่เขาถ่ายทอดทำมาเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นตามลําดับว่าอ๋อที่แท้แล้วเนี่ยเนาะมันมีแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เรา นะถ้าลงแก่ใจมีสติปัญญารู้เท่าทานันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นน่ะที่มันกาลังมีกำลังปรากฏนะ่ะนะมันก็เป็นจะเรียกว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างก็ได้จะเรียกว่าเป็นสังขารก็ได้จะเรียกว่าเป็นศัก์แต่ว่าอันนั้นก็ได้ได้หมดแล้วแต่จะสมมติเรียกแต่ให้พึงเข้าใจด้วยภาษาของตัวเองก็ได้ว่าภาษาของตัวเองที่แบบโดนใจมันถนัดใจถ้าใช้คาว่าอย่างเนี้ย มันถึงใจอ่ะก็ใช้ภาษาของของตัวเองไปนะเพราะคนเรามันมันไม่เหมือนกันนะบางทีฟังครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์ใช้คําแบบนี้แล้วก็พอเข้าใจเสร็จแล้วความรู้สึกว่าแหมถ้าใช้คําแบบที่ตัวเองใช้แบบเนี้ยมันถึงใจกว่าก็ใช้ภาษาตัวเองไปเพราะว่ามันจะชัดเจนกว่า <S <S อันนั้นนะโดยภาพรวมก็คือว่านะทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งผู้รู้นะไม่ใช่ตัวตนหมดนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรเป็นแค่สภาพธรรมะ แล้วก็สิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นหมดไปสิ่งใดไม่ปรากฏสิ่งนั้นไม่เกิดไม่ดับเนี่ยก็ใช้ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยแล้วก็มาใช้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งเห็นแจ้งแบบชัดเจนยิ่งขึ้นอาจารย์ครับขอขอญาติหน่อยเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครั บ, ร บ, รรบเออผมผม อากจะให้อาจารย์แนะนําตรงที่คือคือสิ่งที่พระอาจารย์บอกว่ารู้พอเรารู้เรารู้แล้วมันมันเป็นรู้ของฝังขานกับเป็นรู้ของอีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งก็พอจะพอจะรับทราบได้บ้างว่าอีกรู้อีกตัวมันลักษณะเป็นลักษณะของการมารู้เราแต่แต่สิ่งที่ผมประสบคือการที่เราเข้าไปเป็นนะครับ มันจะมีเราเข้าไปเป็นอยู่อยู่เนื่งเลี้งอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรู้เรื่องเห็นเรื่องผัสสะอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่เป็นคือมันไม่เป็นสักแต่ว่าที่มันเป็นของรู้ที่เป็นรู้ตัวเราที่ที่บางครั้งมันเกิดขึ้นเรารู้ว่าเออเรารู้เราทําอะไรเรารู้เราเป็นยังไงเรารู้อาการตัวเราเป็นยังไงเนี่ยเป็นเป็นรู้ที่สักแต่ว่าเห็นตัวนั้นแหละแต่ว่ารู้ที่เป็นของสังขารเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปเป็นอยู่เรื่อยครับ อันนี้อยากให้อาจารย์พ่แนะนำตั้งปฏิบัติว่าทํายังไงให้เราให้เราไม่เข้าไปเป็นนะครับมันมีวิธีการแบบเป็นเป็นหลักที่เราจะต้องทํำยังไงหรือว่าหรือว่าปล่อยปล่อยไปให้มันเห็นอยู่อย่างนี้เฉยเฉแล้วมันจะมันจะไม่เข้าไปเป็นเองหรือยังไงครับพอาจารย์ขอขอขอขอพิจารณาหน่ครับคือสภาพธรรมะนี่นะแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่เรา เพราะนั้นที่บอกว่าเราเข้าไปเป็นน่ะจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่ใช่เราเข้าไปเป็นหรอกมันเป็นสภาพธรรมะลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นนะเช่นความหลงเนี ones, us, ่ยความหลงก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราใช่ไหมแล้วก็สติที่ระลึกรู้ได้มันก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราแล้วก็ที่บอกว่าหลงเข้าไปเป็นน่ะเข้าไปเป็นน่ะมันก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมันก็มีเหตุปัจจัยเนาะให้ให้ไปเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ทีนี้ถ้าโดยภาพรวมก็คือหมายความว่ามันจะเป็นหรือมันไม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะมันเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ทีนี้ด้วยปัญญาเนี่ยปัญญาจากการฟังเนี่ยก็หมายความว่าไปฝึกฝึกคืออะไรคือให้ชํานาญให้ชํานาญในการที่จะรู้เท่าทันว่าทุกอย่างมันเป็นสังขารเช่นเวลามันหลงเข้าไปเป็นนะมันก็ต้องมีถ้ามีสติปัญญาที่มันรู้ทันรู้เร็วก็มันจะเข้าใจเลยว่าเออไอเนี้ยมันก็เป็นสภาพธรรมะ เออมันไม่ใช่เราต้องเข้าไปเป็นอะไรหรอกเป็นแค่สภาพธรรมะอย่างหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปหมดไปต้องเน้นตรงนี้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาตัวเราเพื่อไปไปดัดแปลงไปแก้ไขแล้วก็จะมีตัวเรายืนพื้นที่จะป้องกันบ้างที่จะไปคอยยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะเออเพราะงั้นเนี่ยหลักของมันก็คือว่าให้รู้เท่าทันหรือรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้รู้รอบ คืออะไรจะปรากฏขึ้นยังไงก็แล้วแต่เพียงแต่เข้าใจด้วยปัญญาได้ว่ามันเป็นแค่สภาพธรรมะออหรือว่ามันเป็นแค่สังขารออตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ก็มีผู้คนสงสัยเยอะอ่ะเพราะอะไรพระมีมันมีตัวเราไงตัวเราที่อยากจะให้เราได้เป็นอย่างนั้นมีตัวเราที่อยากจะไม่ให้เราเป็นอย่างนั้นเห็นไหมมันมีตัวเราอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เรามองไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่อยากก็ดีไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขาร ไอ้ตัวที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นสังขารรวมถึงตัวผู้ถามเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสังขารหลวงพ่อที่กำลังพูดเนี่ยที่เรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นสังขารมันรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิ้นนะ่ะมันเป็นแค่สภาพชั่มะมันไม่มีเราเลยเพราะงั้นเนี่ยลองดูนะความหลงเวลามันเกิดขึ้นนะ่ะจริงๆมันก็เป็นสังขาร น, นะแต่มันหลงไปว่าทําอย่างไรทํำยังไงถึง มีวิธีแบบไหนยังไงที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นลึกๆอ่ะ ล, ลองดูนะลึกๆตรงนั้นแหละมันมีอัตราอยู่มีตัวตนอยู่ที่อยากจะให้ตัวตนเนี่ยได้มาซึ่งอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องรู้เท่าทันว่าอ้าวมันเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นแล้วเพียงแต่รู้ว่าไอความอยากได้อยากมีอยากเป็นไอนี้ก็เป็นสังขารส่วนมากเนี่ยคือจะไม่เห็นต้นตอของมันเนาะไม่เห็นต้นตอคือไม่เห็นจุดตั้งต้นอะ่ะ แต่ว่ามัวแต่แก้ปัญหาที่อยู่ปลายปลายไม่ออกใช่ไหมจุดต้นต้นมันอยู่ตรงนี้คือคือมีตัวต้นเนีย ม, มีตัวเราแต่เราไม่เห็นแล้วดันที่จะให้ตัวเราเนี่ยไปแก้ปัญหาที่อยู่ปลายปลายว่าอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเป็นเพราะนั้นต้องมีสติเท่าทันกลับมาไอจุดตั้งต้นของมันน่ะจุดตั้งต้นตรงเนี้ที่เรียกว่าเป็นอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้หลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติคาถามของโยมว่า ทำยังไงอาจารย์หลวงพ่อมีวิธีไหนไหมเนี่ยจุดตั้งต้นของคือก็คือตัวโยมแหละใครเป็นคนถามใครเป็นคนอยากรู้คําตอบก็มีตั้งต้นแล้วก็คือมีตัวโยมนี่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะสังขารเกิดแต่ไม่เห็นพอไม่เห็นปับ๊บมันก็เป็นตัวเราขึ้นมาพอเป็นตัวเราก็เลยเราก็ถามที่จะให้หลวงพ่อตอบใช่ไหมเออแต่ทีนี้หลวงพ่อก็จะใช้วิธีว่าให้รู้ตัวในปัจจุบันให้เร็ว ว่าตัวเองกําลังถามตัวเองกําลังพูดหรือว่ามันมีอัตตาตัวตนที่ก่อตัวขึ้นมาเนอะรู้เท่าทันตรงนี้พอรู้เท่าทันเสร็จแล้วก็ไม่ต้องห้ามอะไรเพียงแต่รู้ว่าไอ้ที่มันก่อตัวที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็คือสังขารนั่นแหละเป็นสภาพธรรมะตรงเนี้มันมันค่อนข้างจะยากนะแต่ว่าถ้าฟังเข้าใจเนี่ยมันจะรู้ต้นทางของการดับอวิชชาคือมันต้องดับที่ตัวนี้ไอ้ตัวที่มันจุดเริ่มต้นไอ้จุดตั้งต้นไอ้จุดสตาร์ทอะจุดสตาร์ท <laughs> ไม่รู้ข้าใจไหมไอจุดสตาร์ทอ่ะเออพออยู่ๆรวมลองดูนะก่อนเนี้ยโยมไม่มีคําถามเลยนะหมายถึงว่าความปรุงแต่งที่อยากจะรู้อยากจะถามมันไม่มีพอฟังไปฟังไ ป, ฟ, งไปฟังมาฟังไปฟังมาความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นแล้วความรู้สึกเช่นรู้สึกว่าตัวเราเอาไม่ทันตัวเราจะทํำยังไงตัวเรายังเข้าไปหลงไปอยู่เนี่ยเกิดแล้วแต่ไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันตอนที่มันเกิดพอไม่รู้เท่าทันเสร็จแล้วมันก็ไปยึดไอความเกิดอันนั้นมาเป็นตัวตนเป็นเราขึ้นมาก็เลย เราก็ถามเห็นไหมเป็นตัวตนแล้เราก็ถามแล้วเราก็จะไปแก้ปลายเหตุว่าแล้วเราจะทํายังไงอะไรจริงๆอ่ะต้องกลับมาที่ต้นเนี่ยต้นต้นต้นเหตุอ่ะต้นตอนเนี่ยไอ้ต้นจุดกําเนิดของมันเนี่ยให้รู้ว่าอ๋อไอ้จุดตั้งต้นตรงนี้เป็นความเกิดความเกิดเสร็จแล้วก็จริงๆมันก็คือสังขาร น, นั่นแหละแต่ที่มันร้าก็คือมันไม่ทันตรงนี้ไงอ่าทีนี้ถ้าจะให้ทันต่อไปก็เนี่ยก็ฟังบ่อยๆแล้วก็ต่อไปมันก็ได้มีข้อมูลแล้วใช่ไหม ได้ยินได้ฟังแล้วก็พอต่ออะไรมันมีจุดเริ่มต้นมีจุดสตาร์ทป้าเห็นมันฝึกเห็นฝึกเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มันก็เข้าทันแหละไม่รู้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจขอขอญาติขอญาติทวนความเข้าใจดิอย่างนงี้ยพระอาจารย์คือคือผมผมคือความเป็นผมอะคือมันเป็นมั น, เ ป, นเป็นตัวเราเป็นสังขารเนี่ยมันเหมือนตัวนี้มันต้องรู้ก่อนนะครับผมมีความรู้ว่าตัวนี้มันต้องรู้ก่อนมันต้องรู้ว่า มันมีอีกตัวหนึ่งที่ที่มันตัดตัวเราเลยที่พระอาจารย์พยายามอธิบายเนี่ยผมก็คิดตามว่าหรือว่าพยายามทำความเข้าใจตามว่ามันเป็นตัวที่ต้องตัดแตกระแลกเลยถ้าตัดแตกระแลกคือมันไม่มีตัวเราเลยมันมีรู้อยู่เฉยเไอ้รู้ตัวเฉยเตัวนั้นเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาเจอผมผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมาเจอหลังจากที่เราเรารู้ทางทั้งขานก่อน คือรู้จากการเรียนรู้รู้จากวิชาการรู้จากการฟังมาหรือรู้จากการอะไรอย่างเงี้ยครับที่พระอาจารย์สอนเนี่ยคืออันนี้คือก็เอาเอาฟังขาดไปรู้ก่อนเลยครับพอฟังขาดไปรู้มันถึงจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เขาอธิบายว่ามันมีรู้อีกตัวหนึ่งที่ที่ไม่ใช่รู้ของฟังขาดแล้วเป็นตัวรู้ฟังขาดอีกทีหนึ่งซึ่งก็พยายามเข้าใจเป็นเป็นเป็นระยะแต่มันอาจจะยังไม่ชัดนะครับผมก็เข้าใจว่าเออต้อตงตัดตองต้องตัดต้องตัดขั้วแต่กันแรก ก, กข็ขอบคุณคุณท้าจานมากนะครับครับขอบคุณครับโอเคโยมเข้าใจแล้วแหละแต่ว่าไอาความเข้าใจนี้แหละมันจะพาให้ไปปฏิบัติผิด <laughs> มันแปลกนะ <laughs> พอโยมเข้าใจปับ๊บมันจะเอาความเข้าใจเนี้ยไปปฏิบัติก็คือเป็นตัวเราอีกแล้วเราเข้าใจแล้ว เดี๋ยวเราจะปฏิบัติตามที่เราเข้าใจเห็นไหมมันนึกออกยังมันเกิดขึ้นแล้วไงตัวเนี้ยคือมันไอตัวความเป็นตัวตนเนี้มันมันเกิดเร็วนะเหมือนกับว่าพอมันเข้าใจอะไรปั๊บมันเข้ามีตัวตนไปรองรับเลยว่าเราเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจเสร็จแล้วมันก็ยังเป็นความเป็นตัวเราเนาะแล้วก็จะเอาตัวเราไปปฏิบัติในอนาคตบ้างในอะไรบ้างเนี่ยตรงเนี้มันเป็นจุดตั้งต้นซึ่งเราไม่เห็นเพราะมันเร็วมากมันเร็วมากแต่ก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าได้ยินได้ฟังแล้วต่อไปมันก็จะ เห็นจุดตั้งต้นได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราไปหมาย ว, าว่าต่อไปเนี่ยเราต้องปฏิบัติแบบนี้อ่ะมีเราอีกแล้วเห็นไหมก็รู้เท่าทันอีกว่าอ้าวจุดตั้งต้นเกิดแล้วเกิดความเป็นเราอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเอาตัวเราไปหมายไปอะไรทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าฟังให้เข้าใจในปัจจุบันแล้วก็พอมันเริ่มสตาร์ทเริ่มอะไรปับ๊บมันก็รู้เท่าทานันแต่อย่าไปหมายว่าเดี๋ยวเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็มีตัวตนแต่ไม่รู้ แต่ถ้ามันมีตัวตนแล้วรู้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปทําลายไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่ว่าอ้าวมันเกิดเป็นอัตตามันเกิดเป็นตัวตนอยู่แล้วพอรู้ว่ามันเป็นอัตตาตัวตนเนาะจริงๆมันก็เข้าใจด้วยปัญญาเลยว่าที่แท้เนี่ยก็คืออนัตตาเหมือนกันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่ถ้าไม่เห็นเมื่อไหร่นะมันก็เป็นอัตตาตัวตนจริงๆเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เห็นกับไม่เห็นแต่แล้วก็รวมแล้วแต่การเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยจริงๆมันก็มีเหตุปัจจัยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแหมเราจะสร้างมันได้ ทุกอย่างต้องอาศัยเหตุปัจจัยทั้งหมด เ, เนี่ยเหตุปัจจัยการที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะมันก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งเพราะว่าการได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลฐานความรู้เนาะเป็นปัญญาจากการฟังมันก็ทําให้เกิดเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดอะไรขึ้นก็ทําให้ระลึกได้อย่างเงี้ยเพรางั้นถึงก็บอกว่าต้องฟังเยอะๆหรือว่าต้องสังเกตเยอะๆ อ, อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นปัญญาเองเพราะฉนี่พวกนี้เหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยหมดเลย ก็ก็ก็ฟังไปเรื่อยๆเนาะวะ่าโยมก็ติดตามอยู่แล้วเนาะดีแล้วครับกลับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับกลับขอบพระคุณครับ